พี่น้องชาวบ้านที่มาใส่บาตรหลวงพ่อวันนี้ก็คงจะแปลกใจอู้ลูกหลานทำไมหนุ่มๆรุ่นๆทำไมเห็นเข้าวัดมากและเกินวันนี้นะ่ะพวกเราก็คงจะสงสัยเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยหลวงพ่อจะแจ้งข่าวให้ทราบนะนี่คือทางสภาพัฒน์นะนี่ยเขียนเป็นหนังสือออกมาเนี่ยโครงการฝึกอบรมทีมอนาคตรุ่นที่สอง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 ไปที่ไหน ه, เพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยต้องการพวกผู้นําถ้าว่าผู้นํามีผู้นําที่ดีแล้วมีแต่ความเจริญแต่ถ้าผู้นําไม่ดีแล้วมีแต่ความขิหห้หายนะําไปหาหายนักเพราะงั้นแต่ผู้นำเลยสําคัญเนียเหมือนกับรถไฟนั่นแหล ะ, ะถ้ารถไฟมันเดินตามรางไปมันก็ถึงจุดหมายปลายทางถ้ารถไฟมันออกนอกดูนอกทางหัวมันพาไปเท่านั้นะหละหางมันก็ไปตามด้วยเพราะงั้นแต่ ตกเหนียวตกบ่อไปเรื่อยหายยนตะ์เข้ามาในคนในชุมชนนั้นเหมือนกันเพราะนั้นหัวหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญผู้ที่ออกเขียนแบบที่แรกนี่แหละให้ประชาชนเดินตามแบบตามแผนนี่แหละแต่ถึงยังไงก็ตามนะความพร้อมเพียงสามัคคีคนในชาตนินนี่คือจำเป็นอย่างมากาไม่ว่าหลักไหนพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าความพร้อมเพียงของหมู่คณะเกิดสุข ความพร้อมเพียงของสงเกิดสุขความพร้อมเพียงของพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าเกิดสุขถ้าว่ามีความแตกแยกสามัคคีกันแล้วอย่าหวังเลยจะหาความสุขไม่ได้อย่างร่างกายของเราก็เหมือนกันตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยแต่เส้นผมมันล่วงมันหล่นเท่านั้นน่ะมันไม่สามัคคีไม่เป็นตามที่เราอยากจะให้เป็นเพียงแค่นั้นหล ะ, ะความหายยนะก็เข้ามาแล้วเพราะนั้น ความพร้อมเพียงสมัคคีกันนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญอย่างมากถ้าว่าพวกเราไม่มีความพร้อมเพียงสมัคคีกันแล้วจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้วัดวาศาสนาใดก็ตามสมาคมใดก็ตามถ้าว่าแตกสมัคคีกันแล้วจะหาความผาสุขไม่ได้ในชนกลุ่มนั้นอย่างประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็เหมือนกันอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ยนะ ที่ผ่านๆมาเป็นยังไงแต่ยุคก่อนสมัยหลวงพ่อมาอยู่วัดนี้ในทิน่นี้เขาก็ว่าเป็นถิ่นฐานของพอกอคอสมัยนั้นเกือบจะว่าเป็นสีแดงเถือกนงงั้นเอะอำเภอนามโสมนายุงพวกลูกหลานรุ่นที่หลุดรุ้ น, นยังไม่เล็กมากคงจะได้ยินได้เอาอาวุธมาถลถล่มกันในถินนี้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 อันไหนจะมีประโยชน์มากกว่ากันถ้าว่าการฆ่ากันเนี่ยเสียผลประโยชน์มากนะแอบแล้วเอาคืนไม่ได้อีกส่วนผลประโยชน์ที่พวกท่านจะได้รับเนี่ยคือแบ่งน้ำกันให้ทั่วถึงหรือว่าแบ่งกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากกว่าไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งจะรวบเอาคนเดียวทั้งหมดคนอื่นเขามองดูตัวเองอยู่เฉยเฉยนะ่ะมันไม่ถูกนะต้องแบ่งกัน การแตกแยกสมัครคีกันไม่เป็นผลดีต้องพร้อมเพียงสมัครคีกันคนในชาติพวกกลุ่มญาติของเราจึงจะผาสุกได้จากนั้นพระองค์ก็ได้ยกเป็นชาดกขึ้นมาชาดกคือเป็นการสอนบอกว่าที่ในครั้งพุทธกาในอดีตชาติเป็นชาดกสมัยหนึ่งมีนกกระจาบฝูงหนึ่งอยู่หากินอยู่ในป่าแต่นกกระจาบฝูงนั้น มีจ่าฝูงอยู่ตัวหนึ่งเออมันก็บินพาหมูพวกเพื่อนหากินอยู่ในทงยาแต่วันนั้นข่าวนั้นมีพลานกพลานกึ้นพวกดักตาข่ายเออไปดักเห็นนกกระจาบลงเขาก็เอาตาข่ายไปดักพอไปดักนกกระจาบก็มากลงไปกินพอกินน้ะมันก็กระตุกตาข่ายขึ้นเออแต่หัวหน้านี่ หัวหน้าฉลาดหัวหน้านกกระจับบอกเออถ้าว่าเห็นตาข่ายขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าเราถูกตาข่ายพอเรามองไม่เห็นถ้าว่าถูกตาข่ายขึ้นมาแล้วให้พวกเราเอาหัวสวมข้อตาข่ายและก็ บ, บินพร้อมกันนะเอเราจะเป็นคนสั่งเองฮนะคือหัวหน้าเเป็นผู้สังเกตเนี่ยนะหัวหน้าที่จําเป็นสําคัญนะคือหัวหน้าเนี่ยไปที่ไหนที่จะคุ้มครองลูกน้องได้เนี่ยต้องสังเกต ต้องใช้ปัญญาจะเดินยังไงจะก้าวยังไงจะทํำยังไงหัวหน้าเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญมากในหลักว่างั้นแต่ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนกขนาดนกกระจาบก็ยังมีหัวหน้าว่างั้นแตอหัวหน้าก็บอกว่าอถ้าหาว่าลงไปแล้วถ้าเจออย่างนั้นขึ้นมาแล้วต้องปฏิบัติต่งนี่นะพอต่อมาก็มีจริงๆริงว่างั้นแต่เขาชักตะข่ายขึ้นมานกกระจาบผูงนั้นก็เอาหัวสอดเข้าในตะข่ายกับบิน มันก็บินขึ้นไปพร้อมกันตาข่ายของนายพรานก็ขึ้นไปอยู่บนยอดไม้นกทั้งหลายก็มุดรอดลงมาข้างล่างมันก็ต่างตัวต่างบินไปปลอดภัยสองสามครั้งทําอย่างนั้นนายพรานไปวบบบินขึ้นไปต้นไม้ไปเก็บกู้าตาข่ายที่นกบินขึ้นไปยากทุกอยากลำบากแต่แต่ละครั้งเหมือนกันแต่พ่พอต่อมาทีนี้พอต่อมานกฝูงนั่ะ ตัวหนึ่งบินลงไปก่อนตัวที่สองลงไปไปเหยียบไปเหยียบหลังตัวนั้นพอเหยียบหลังตัวนั้นตัวนั้นก็โมโหขึ้นมาทีทะเละาะเหมือนกันเถอทะเลาะขึ้นมาพอนกตัวนั้นทะเลาะขึ้นมาทีนี้กันแบ่งแยกพวกกันนะทะนีนี้ว่าก็ตัวนั้นผิดตัวนี้ถูกไม่น่าจะเหยียบหลังเขาก็เห็นเห็นอยู่แล้วแต่ตัวนั้นก็บอกว่าลงไปมันบังเอิญมันก็ไม่ได้ดูละเอียด มันถลาลมลมพัดลงไปมันจึงไงก็ขออภัยเถอะไม่มีเจตนาแต่ตัวนั้นก็ไม่ให้ไม่ให้อภัยต่างพูดก็ต่างทะเลาะกันเป็นพักเป็นพวกขึ้นมาแต่นกที่เป็นหัวหน้าที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยโอ้ไม่ได้ท่านเราขืนก็อยู่กับพวกนี้ออกมาเราจะต้องหายณะแน่แนเพราะพวกนี้มันทะเลาะกันแล้วคือหัวหน้าฝูงก็เลยปีกตัวงั้นะลบหนีกลางคืนไปหาที่อื่นแต่นกฝูงนั้นก็ทั้งถีทะเลาะกันเนะี่ย ก็ยังไปบินหากินด้วยกันอผลที่สุดก็ลอดลงไปเจอนายพานเนี่ยนะพอนายพานกระตุกตาคายขึ้นมาท่านแล้นแหละนกฝูงนั่นก็อ้าวใครเก่งเบ็ดเลยสิคือมันบินไม่พร้อมกันแหละท่านผลที่สุดก็เลยหาหัวหน้าไม่ได้ทีน่อนนายพานกระตุกขึ้นมาแล้วหาหัวหน้าไม่ได้ผลที่สุดก็เลยนายพานกันรวบตาคายขึ้นมาอ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 หัวหน้าหนึ่งจะใช้ลูกน้องก็ต้องคิดซะก่อนว่าลูกน้องแต่ละคนเนี่ยมีขีดความสามารถ แ, กแตกต่างกันถ้าเราใช้ไม่ถูกความหายนะก็จะมาสู่ตัวผู้ใช้หรือว่าชุมชนหรือว่ากลุ่มนั้นได้เหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะใช้ลูกน้องเนี่ยต้องดูซะก่อนดูหน้าดูหลังดูขีดความสามารถของแต่ละคนเพราะพูดองค์ท่านก็ได้ยกเป็นชาดกขึ้นมาอีกเหมือนกันนะ ในชาดกนี้สมัยหนึ่งครับมีนักขัดตะเลิกคือเดือนสิบสองเพนเขาจะมีงานนายอุทยานที่เฝ้าสวนอุทยานมีลียงฝูงใหญ่เหนนะลียงอูลังกุตังที่กินอาหารที่ผ ล, ล, มลไม้อยู่ในสวนอุทยานของพระเจ้าแผ่นดินแต่ในสวนอุทยานนายอุทยานนันก็ปลูกต้นไม้เสริมอยู่ตลอดเพื่อให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์เหอนเอ แต่วันนั้นก็ปลูกต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็เออเรากับคณะเนี่ยพนเฝ้าสวนเนี่ยอจะไปเที่ยวงานเดือนสิบสองเพนเหมือนกับไปเที่ยวงานปีใหม่อย่างนั้นอะอ่ะปีใหม่ที่พวกเราค้าจัดขึ้นมาอพวกใครใครเขาอยากจะไปว่างั้นอ่ะแต่เราจะให้ใครนาะเฝ้าสวนเนาะแต่ลิงอูรังกุตังมันก็อยู่ในสวนนี่มันก็พอจะรู้เรื่องอยู่นะอมันพอที่จะสอนได้อยู่บางทีเราก็ให้มันลดน้ําสวน มันก็พาลูกน้องลดรักษาสวนให้ได้อยู่แต่เราคงจะฝากกับปลิงอูลังกุตังนี่นะ เ, เป็นผู้ดูแลสวนเหมือนกันานายอุทยานก็เจตนาดีเหมือนกันแต่แต่ก็ไม่ได้คิดว่าลิงเหล่านั้นมันจะมีปัญญามากน้อยแค่ไหนเพียงแต่ว่าตัวเองอยากจะไปท่านเองเลยเรียกหัวหน้าลิงใหญ่มาลิงอูลังกุตังมาเออห่วลิงพวกเราเน่ยจะได้ไป เที่ยวงานนักกษัตริย์นะเดือน1 2บเพนเจวันแล้วก็ขอให้แกเนี่ยลดน้ําต้นไม้แทนเรารักษาป่าแทนเรานะเพราะว่าต้นไม้อยู่ในป่านี่ผลละมากลากไม้ในป่าก็พวกเธอก็กินมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเวลานี่ให้รักษาสวนป่าด้วยกันนะรับได้ไหมลิงมันก็เกือบจะรู้ภาษาคนอยู่แล้วมันก็ทําปากปุมะปุมับปุมั รับได้หัวหน้ามันก็รับเหมือนกันแอ่ก็สั่งเอาวิธีการลดน้ําทํำยังไงลดให้ดูซิมันก็นเอารดน้ําให้ดูอีกเออใช้ได้อให้มึงบอกบริวารของมึงหนะ้าให้รักษาอย่างนี้แหละจนกว่าข้าจะกลับมานะอูลังกูตังนะมันก็นทําปากมุมบบมุมบบมุมบับมานเนะลยรับเหมือนกันแต่พอเสร็จแล้วเออเห็นมันทําให้ดูแล้วได้เรื่องละดีละ นะพวกเราไปเที่ยวนกกษัตริย์จันทร์นั้นก็นไปเที่ยวทีพอไปเที่ยวได้เจดวันพอกลับมาต้นไม้ตายหมดทีเพราะเหตุอไรพ่อเลิงหัวหน้าเลียงบอกว่าเวลาลดต้นไม้เ น, นี่ยลดน้ำเนี่ยมันจะถึงรากมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะนั้นสู่เจ้าต้นใหญ่ต้นน้อยเนะี่ยต้นจะให้รดเสมอกันไม่ได้หัวหน้าลิงมันบอกนะเพราะนั้นต้องถอนขึ้นมาดูซะก่อน ถอนขึ้นมาแล้วยังค่อยลดน้ําเออมันจึงจะรู้ได้ว่ามันถึงแล้วไม่ถึงรากของมันพอในะเวลามันถอนขึ้นมาต้นไม้ก็ตายหมดใช่ไหมละ่ะเออท่นี้พอเนาะยอุทยานมาเห็นแล้วก็เออเป็นลมเลยว่างั้นเถอะต้นไม้ตายหมดเลยเพราะเหตุอะไรเพราะลิงมันถอนรากขึ้นมาจั ก, ก่อนมันค่อยลดน้ําเพื่อจะให้น้ําถึงรากของมันเนะนี่ยี่ยพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าเนี่แหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ก่อนที่จะใช้ใครก็ตามเมื่อเราเป็นหัวหน้าต้องดูให้ดีซะก่อนว่าเขาทำหน้าที่นี้ได้หรือไม่เขาพร้อมที่จะทำหน้าที่นี้ได้หรือไม่เขามีสติปัญญาพร้อมที่จะทำหน้าที่นี้ได้หรือไม่เพราะนั้นที่เป็นหัวหน้าเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะใช้ลูกน้องอันนี้ที่เราจะนามาใช้ในยุคปัจจุบันหลวงพ่อจะเกิดประโยชน์อย่างมากเหมือนกันก่อนที่จะใช้คู่ใช้คน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 เราคิดดูให้ดีกันแล้วกันอย่างโรงแรมโรงพยาบาลพวกรักษาสวนก็สำคัญพวกปัดกวาดทำความสะอาดเช็ดถู ก, ก็สำคัญพวกอาหารก็สำคัญสิ่งไหนที่ไม่สำคัญถ้าว่าขาดคนทำอาหารสิทั้งโรงแรมเยทั้งสำนักงานเนี่ยตะลีตะเหลือกเหมือนกันถ้าคนขาดคนขับรถนะสำนักงานก็หมดเหมือนกัน ขาดการปฏิกัดทําความสะอาดรูสิเป็นยังไง อ, อไม่ใช่ว่าจะนั่งโต๊ะการบริหารเท่านั้นจึงสําคัญมันต้องเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นงานทุกอย่างอย่าไปมองว่างานนั้นสูงงานนี้ต่ําไม่ได้อย่างศาลาของหลวงพอ่อที่เรานั่งอยู่นี่ที่พวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนี่เพราะอะไรเพราะศาลาเพราะมีความพร้อมเพียงสามัคคีกัน มึงไม่แตกแยกกันแต่หากว่าศาลาแตกแยกกันนี่ยเสามันก็จะหักคานมันก็จะหักพื้นมันแตกอย่างเนี้พวกเราคิดดูก็แล้วกันพวกเราจะมาอาศัยสาราหลังนี้ได้อย่างไรเนีแต่ว่ากระเบื้องอยู่ข้างบนหลังคานเนี่ยทมันพูดได้นะมันก็จะบอกว่าข้านี่แหละควบคุมหมู่สูเจ้าให้อยู่ได้ถ้าไม่มีข้าเช่อย่างเดียวเท่านั้น เ, เนี่ยสูเจ้านี่ตากแดดตากฝนเนี่ยผุพังไปหมดนี่ข้านี่แหละเป็นผู้ใหญ่ ควบคุมสูญเจ้าให้อยู่เย็นเป็นสุขได้นี่แหละจำเอาไว้นะข้าเนี่ยสำคัญกว่าเพื่อนถ้าว่าข้าวแข็งข้อขึ้นมาอ้าวถ้ากระเบื้องเอมว่าตัวเองสําคัญไงข้าออกไปเถอะให้กระเบื้องอยู่ท่านกระเบื้องกระพังโคมอีกเหมือนกันเพราะเหตุอะไรเพราะข้าวมันมันไม่ค้าไม่ค้ากระเบื้องอยู่นะนี่แหละอันที่จันทร์ทานก็เหมือนกันเลยจันทร์ทานแข็งข้อขึ้นมาอ้าวถ้าว่ากระเบื้องกับข้าว ่ดีข้าพระเจ้าขอถอนตัวลังคามันก็พังอีกเหมือนกันเนี่จากนั้นคือก็เหมือนกันสะพานคอก็เหมือนกันเสาก็เหมือนกันถ้าว่าต่างตัวต่างแข็งข้อขึ้นมาไม่สมัคคีสาลาหลังนี้พวกเราอย่าหวังเลยเ อ, อีมีแต่ผุพังไปหมดเพราะเหตุไดเพราะมันแตกสมัคคีกันเออเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ความสําคัญแต่หัวหน้าอย่างเดียวไม่ได้ ให้ความสำคัญมาตั้งแต่ฐานพื้นสรุปแล้วก็คืออาคารหลังนี้มีความพร้อมเพียงสมัคคีกันใครทำหน้าที่อะไรก็ต้องทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดตามที่ได้มอบหมายมอบฝังอย่างเสาอย่างนี่เสาจะต้องแบกหมูให้แข็งแรงที่สุดคานอย่างนี้ก็ยอมรับแบกหมูให้ดีที่สุดไม้ข้าวแปรก็พร้อมที่จะรับกระเบื้องให้ดีที่สุด สรุปแล้วก็คือทุกตัวของอาคารต้องรับให้ดีที่สุดเพราะนั้นลูกหลานทำงานในสภาพัดมากน้อยยังไงแค่ไหนความพร้อมเพียงสมัคคีนั่นแหละเป็นหนึ่งถ้าว่าพวกเราไม่มีความพร้อมเพียงสมัคคีกันถ้าว่าสภาพัดมีหัวเป็นผู้ออกความคิดเพื่อปกครองประเทศชาติแล้วไม่พร้อมเพียงสมัคคีกันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นวงแตกเลยระ อันนี้หลวงพ่อพูดไม่ใช่ว่าพวกเราแตกสมัครีกันนะเอถ้าว่าวัดหลวงพ่อก็เหมือนกันวัดหลวงพ่อเป็นผู้สอนศริยธรรมแต่วัดหลวงพ่อแตกสมัครีกันอแล้วเป็นยังไงแคําว่าธรรมคํานี้คือหลักเหตุผลคือหลักถูกต้องแต่พูดทำรักษาธทำแต่ว่าไม่มีความพร้อมเพียงสมัครีกันชนในกลุ่มนั่นก็หาความสงบพร้มเย็นเป็นจุกไม่ได้อันนี้ก็ขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคู่ทุกค น, กคนด้วยนะ และกับโดยมากหลวงพ่อสังเกตเห็นให้ระวังระวังไว้นะที่หลวงพ่อสังเกตคนมีปัญญาคนที่มีปัญญาเสียบแหลมเนี่ยโดยมากจะมีโทสะนําหน้าให้พวกเราคิดดูนะโดยมากจะมีโทสะคือความโกรธที่นําหน้าเหมือนกับคนอื่นโง่ไปหมดตัวเองในี่ฉลาดแล้วสั่งไปอะไรว่าตัวเองฉลาดทั้งหมดคนอื่นโง่ไปหมดนี่แหละอันนี้คือจุดหนึ่งและ เออถึงคนขี่โง่เขาก็บอกเอ้ามึงฉลาดก็ทําไปซิข้าโ ง, ง่ก็อยู่อย่างโง่นี่แหละพอที่จะตัวเองก็มีแต่โมโหโถโงงงะโกงอะมีแต่โกรธให้เขานี่แหละถ้าตามพี่จริงคนฉลาดคนมีปัญญาต้องศึกษาต้องเรียนรู้เออหัวไม่โป้งควรใช่ยังไงนิ้วชี้ควรใช่ยังไงนิ้วกลางควรใช่ยังไงนิ้วนางควรใช่ยังไงนิ้วก้อยควรใช่ยังไงฝ่ามือควรใช่ยังไงเออมีดเล่มหนึ่งน่ะ ทั้งสันทั้งคมทั้งข้างทั้งปลายทั้งด้ามต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าคนมีปัญญาถ้าว่าไม่มีปัญญามีแต่ใช้แต่อารมณ์อย่างเดียวนะั่นใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ไปใช้กับใครก็เข้ากันไม่ได้ทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะเราใช้แต่อารมณ์กับปัญญาความรู้มีอยู่แต่มีแต่อารมณ์หาดขาดความรอบคอบขาดการยืดหยุนขาดเมตตาขาดคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ พวกเราจะหาความพร้อมเพียงหาความสมัครใหาความสงบร่มเย็นในกลุ่มในพักในพวกของเราได้ยากนะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนที่มาศึกษาธรรมะหรือมาฟังแนวความคิดของพระป่าอย่างพวกลูกหลานทั้งหลายได้เห็นและต่อ น, นี้ไปเมื่อพวกเราได้ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมารับรับหนังสือจากหลวงพ่อหลวงพ่อจะแจกเอ็มพสาแนวความคิดของหลวงพ่อแจก ให้แก่ลูกหลานด้วยเมื่ออยู่ในกรุงเทพถ้ารถติดแล้วก็เอาเสียบแผ่น m อ3เสข้าในรถเเออฟังฟังในรถไปด้วยถามว่าฟังเพลงฟังลำฟังสิ่งไหนเบื่อแล้วก็เอาฟังเทศหลวงพ่อในป่ารงพงไพยบังซีงว่าหลวงพ่อมีความเหตุอย่างไรหลวงพ่อจะแจกเอ3มให้แก่ลูกหลานจากนั้นก็มีหนังสือต้นตระกูลของพระกรรมาฐานคือประวัติของหลวงปู่มั่น และกับปฏิปทาพระทุกรรมฐานให้ลูกหลานได้ศึกษ า, าด้วยนะวันนีเ้เมื่อทานอาหารเสร็จแล้วขึ้นมารับพอมารับเสร็จแล้วก็เดินชมบริเวณวัดเช้าก่อนค่อยกลับถึงยังไงยังไงกรุงเทพมหานครก็อยู่ที่เก่านั่นแหละคงจะไม่ขยับไปที่ไหนไปช้าหน่อยก็คงไม่เป็นไรมั้งพอเดลาหัวหน้ามาแล้วเนี่ยมามางานโดยตรงอยู่แล้วช้าหน่อยก็คงไม่เป็นไรหลวงพ่อว่านนะ อตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเป็นสิริเป็นมงคลแก่คณะจัตทายญาติโยมลูกหลานทุกๆท่านนะและก็พร้อมการอุทิศ ส, ส่วนกุศลด้วยที่พวกเราได้มาทําบุญกับวัดวาศาสนาอุทิศ ส, ส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายบ่งสาคณาญาติญาตมิตรสหายเจ้ากรรมนเวรนะ